นี้ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกสาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิคุแห่งวัดโชลประธานรังสิตปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องวันแม่แห่งชาติขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัด น, นี้ค่ะญาติยโยมพุทธบริษัททั้งหลายนับบัดนี้ถึงเวลา ของการฟังปาทกัถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมานั่งพักณที่ใดที่หนึ่งที่สามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์ จากการมาวัดตามสมควรแก่เวล า, าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมตรงกับวันที่จิตสิงหาคมขึ้นหนึ่งคำเดือนเก้ า, าเดือนแปดผ่านพ้นไปแล้วพระอยู่จาพรรษามาได้สิบห้าวันแล้วแล้วก็ถึงเดือนเก้าขึ้นหนึ่งคำ่ำ เดืนเแล้วก็เดิน10แล้วก็เดินสิอ็ดออกพรรษาวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่มีการชักจ้าไปไปผ่านไปตามปกติของเวลาเวลาที่ผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปเฉยเฉยแต่ว่าฉุดค่าพวกเราทั้งหลายไปด้วยจึงมีคํากล่าวว่าเวลาเนี่ยมันกินตัวเอง แล้วกินสนรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในลูกคนเราก็ถูกเวลากินเอามอนกันวัตถุสิ่งของก็ถูกเวลากินเอาไปหมันกันคำว่ากินนัห้หมายความว่าทำให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเช่นชีวิตของเรานี่ก็เปลี่ยนไปตามเวลาเวลาล่วงไปชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปแก่ขึ้นแก่ขึ้นแล้วก็แก่ลงแก่ลง และผลที่สุดก็แตกดับไปตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายชีวิตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเวลาแล้วควรจะได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดี ด, ด้วยตนและชวนคนอื่นให้ทำเช่นนั้นด้วยเราจะต้องช่วยกัน ชักลาศสังคมไม่เป็นไปในทางที่ไม่เสื่อมแต่เป็นไปเพื่อความเจริญทายเดียวาการที่จะทําให้สังคมไม่เสื่อมนั้นก็ต้องชักจูงเพื่อนฝูงไม่เสหายให้หันหน้าเข้าหาธรรมะจูงคนใกล้ใกล้ให้หันหน้าเข้าหาธรรมะเช่นคนในครอบครัวพ่อจูงแม่แม่จูงพ่อ พ่อแม่จูงลูกคนช้ภายในบ้านให้ได้ช่วยกันประพฤติทธธรรมถ้าทุกคนที่อยู่ในบ้านประพฤติทธธรรมบ้านนั้นก็กลายเป็นสวรรค์ไปเป็นมิมานไปคนที่อยู่ก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่มีความเสื่องแต่ถ้าว่าไม่ได้ประพฤติทธธมกันชีวิตก็ตกต่ำมีปัญหามีความทุกข์ ความเดดร้อนกันด้วยประการต่างๆบรรดาปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตในการงานในสังคมตลอดจนถึงชาติและลูกไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากบุคคลไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจมีแต่กิเลสกรองใจพระไม่ได้เข้าไปกุ้มครองแต่มารเข้าไปกุ้มครอง ก็เกิดปัญหากันด้วยประการต่างๆเช่นบางประเทศรบกันไม่หยุดรบกันมานานแล้วรบกันเป็นสิบปีไม่รบกันทําไมคนเหล่านั้นมันไร้ธรรมะไม่มีาศาสนาไม่มีเครื่องยึดเหนวจิตใจจึงได้รบราค้าฟันกันแล้วก็ไม่มีเวลาจะคิดว่ารบทําไมรบเพื่ออะไรรบกันแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมา เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าจะรบถาเดียวปูต้องชนะแพ้ไม่ได้นี่คิดอย่างนั้นเหมือนกับจะมักพูดแทนทนะางคนตองก็พูดว่าแพ้ไม่ได้ต้องชนะมันบังคับได้เมื่อไรไม่ใจเลือกเองต้องให้ชาวบ้านเลือกแนะต่าชาวบ้านเขาชอบมันก็ได้แต่ไม่ชอบมันก็ไม่ได้แล้วเหตุที่จะให้ชาวบ้านชอบมันก็หลายเรื่อง ทำเรื่องเหล่านั้นหรือเปล่าเหตุมันสมควรกันหรือเปล่าจะไปบังคับกาเกณฑ์เอาก็ไม่ได้วันนี้เขาก็เลือกพูดแทนกันนู้นนครปนมไม่ว่าควายใดชนาสักควายควายแพ้ก็ซบเศาเหงาหงอยควายชนาก็ราเริงเล่าบดไปหลายกวดในคืนนี้หัวกันแนนมากินกันไม่ก็อยู่กันอย่างนั้นแหละไม่ค่อยเอาเรื่องถูกต้องเท่าใดเพราะว่ามันเป็นเรื่องกิเลส เรื่องการบ้านการเมืองนี่ตาทำไม่ถูกก็กลายเป็นกิเลสไปแต่ถ้าทำถูกก็กลายเป็นเรื่องที่ดีงามสร้างสรรค์ชีวิตของคนในชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนั้น ไ, ไม่อยากพูดเรื่องการบ้านการเมืองเดี๋ยวก็จะว่าหาว่าผู้การเมืองอีกมาพูดเรื่องในครอบครัวเราดีกว่า นั่นเดินกันไปไหนอะพวกหนูที่หิวหิวรงรังนะั่นเดินกันไปไหนแวดนั่งพัดเจาะ น, นั่นเราแวดกันนะแตมาม า, มาแถวนี้ก็ได้เก้าอี้ยังว่างเยอะขึ้นมานั่งใกลา้าจะได้เห็นหน้าเห็นตากันมาเที่ยวเดินไปเดินมามันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมาวัดไม่ใช่มาเดินมาศึกษามาหาความรู้ความเข้าใจไปนั่งเสียนาที่ใดที่หนึ่งไม่ต้องรีบร้อนของถวายพระพระไม่ไปไหนนั่งคอยอยู่แล้ว <c oughs> อั น, นี้เดือนนี้เป็นเดือนที่สําคัญเดือนหนึ่งเพราะว่าเป็นเดือนที่มีวันกเกี่ยวกับวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเรียกว่าวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถคือวันที่สิบสองสิงหาคมวันที่สิบสองสิงหาคมเป็นวันที่ ชาวบ้านชาวเมืองก็ก็ปลื้ม อ, อกปลื้มใจในการที่ท่านเกิดมาในแผ่นดินนี้แล้วก็ใช้ชีวิตความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองทรงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นทุกประการไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยทรงร่วมงานกับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสพระราชจติดา ทำงานด้วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นความสุขเป็นความเจริญให้เกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองหลายแง่หลา ย, า ย, าย ม, มุมบอกเราทั้งหลายที่เป็นพระสกนิก อ, นอยู่ในประเทศนี้ก็นึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านแล้วก็ได้ทำการอะไรที่เป็นประโยชน์กันหลายเรื่องหลายอย่างมีการโฆษณาชักจูงให้ทำนั่นทำนี้ สิ่งแต่ซึ่งร่วมแต่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งนั้นแล้วก็มีกิจกรรมอันหนึ่งเรียกว่าวันแม่เกิดขึ้นวันแม่ในสมัยก่อนมันเดินเบษาจนไม่ใช่เดินสิงหาคมแต่ว่าเลื่อนมาเป็นมาเดือนสิงหาเพราะเป็นวันตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระบรมราชนินีนะอันนี้วันแม่นี่ความจริงประเทศเอเชียเราเลย ไม่ต้องมีวันพ่อวันแม่ก็ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปเรียบร้อยลูกลกรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสะดวกสบายตามชมกวรแก่ฐานะแต่ว่าประเทศตะวันตกนี่มันไม่เหมือนบ้านเรายุโรปอเมริกาหรือประเทศแถวลาตินอเมริกามันไม่เหมือนบ้านเรา เกือว่าเขาไม่ได้สอนลูกให้มีความกตัญญูกะตะเวทีหลักธรรมในทางศาสนาก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้มันผิดกับธรรมะของพวกตะวันออกเราพวกตะวันออกเรานั้นว่าศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียหรือที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกะตะเวทีมาก ชาวอินเดียนสอนก่อนไม่มีความกตัญญูกตเวทีถ้าเราอ่านเรื่องชาดกันเป็นนิยายพื้นบ้านที่พระพุทธเจ้าเอามาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในตอนบ่ายก็จะเห็นว่าแต่ละเรื่องนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีมากมายทุกเรื่องชาดกมีเรื่องแสดงความกตัญญูกตเวทีทั้งนั้นไม่มาไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีเรื่องนี้ไม่มี มีดัวกันทั้งนั้นแปลว่าเขาเห็นความสําคัญของเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีเพราะให้นคนในประเทศเอเชียเหล่านี้ไม่ทิ้งพ่อแม่เคารพพ่อแม่บูชาพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้และความฉุขความสบายคนแก่แก่ที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ตายายไม่ค่อยลําบากเท่าใดไม่ลําบากเพราะอยู่กับลูกกับหลาน คนปู่คนตาคนยา่าคนยายก็ได้เลี้ยงหลานก็มีความสุขสบายใจไม่ลําบากไม่เดืดร้อนแต่ว่าตะวันตกมันไม่อย่างนั้นลูกก็พอเติบโตแล้วไม่ค่อยจะอยู่กับพ่อแม่เขาจะจากพ่อแม่ไปทํามาหากินแม่จะอยู่กับพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยฟังเสียงพ่อแม่พออายุสิปเนี่ยเกาถือว่าย่างเข้าไวัยผู้ใหญ่ หรือว่าจบการศึกษาโรงเรียนไฮสคูลเขาก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีการฉลองกันนะเช่นว่าเด็กสอบได้ไฮสคูลเนี่ยเขาต้องมีการฉลองเชิญเพื่อนมากินเลี้ยงประดับโคมไฟหน้าบ้านเป็นการประกาศว่าลูกสำเร็จการศึกษาและมา่ลูกสำเร็จการศึกษาแล้วเขาทำไม่ข้ามาวิทยาลัยเขาก็จะไปเที่ยวหางานทา ไปช่วยตัวเองไปทึบพึ่งตัวเองอันนี้มันก็ดีเหมือนกันเกิดทำให้เด็กทุกคนรู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองแต่มันเสียอีกมุมหนึ่งเสียตรงที่ว่าเมื่อจากพ่อแม่ไปแล้วเขาไม่แ่งคิดถึงพ่อแม่ไม่ค่อยจะได้มาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ปีหนึ่งจะมาเยี่ยมสักครั้งนง่คือวันนู่นะวันคริสต์มาสเขาจะมาเยี่ยมพ่อแม่ มากินข้าวด้วยกันแล้วก็อยู่บ้านสักคืนหนึ่งแล้วเขาก็ไปต่อไปเราจ ะ, ะนั้นจึงพบว่าคนแก่ในประเทศตะวันตกในเงาหงอยซร้อยเศ้าไม่ค่อยจะร่าเริงหน้าตาไม่ยิ้มแย้มเต็มใสความตียงทางวัตถุเขามีมากแต่วัตถุนั้นไม่ได้ทำคนให้สดชื่นเสมอไปมันสู้ความสดชื่นในครอบครัวไม่ได้ยงเห็นว่าเป็นคนเศร้าซ้อย หน้าตาไม่เปิดบานพิดกับคนเอเชียเราไปดูตามบ้านนอกบ้านนาทั่วทั่วไปปนะุ๊บคนแก่ยังมีแววแห่งความสดชื่นดวงหน้ายังมีแววแห่งความสดชื่นแต่เราไปชวนพูดชวนคุยแกก็ ย, ยินดีปรีดาต้อนรับกับสู้พูดจาคันสบายแต่ชาตะวันตกนี่เราไปชวนพูดชวนคุยแกก็คุยยัน ไม่ค่อยอยากจะพูดจะคุยอะไรดูหน้าไม่สดชื่นเลยไม่มีความร่าเริงในภายในจิตใจไม่ร่าเริงดวงหน้าไม่ร่าเริงในตาเขาไม่ร่าเริงน่าสงสารไปดูบ้านคนแก่ที่เขาเก็บคนแก่เอาไว้มากๆมกเห็นแล้วก็น่าสงสารแม่บางเมืองมีคนแก่ไปเที่ยวเจ็ดเมืองไมอามีรัฐฟลอริดา คนแก่ไปนั่งอยู่หน้าโรงแรมไปนั่งเต็มแต่นั่งหน้าเศร้าทั้งนั้นเลยแล้วก็ไปทักตามลาใส่แกก็ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยร่าเริงแกมีอารมณ์ข้างอยู่ในใจคือคิดถึงลูกถึงหลานแต่ลูกหลานไม่คิดถึงคนแก่ก็มีความไม่สบายใจคนร่ังที่เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับสังคมนี่เห็นว่าสังคมตะวันตกมันขาดขาดความอบอุ่นสําหรับ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยตั้งวันแม่ขึ้นวันพ่อขึ้นวันอะไรต่อหลายวันนั่นเองเขาทำกันอยู่นะอันนี้ประเทศไทยเราที่มันอยู่ในสังคมลูกชาวฝรั่งเขาทําอะไรแล้วก็ทําด้วยทําตามเขาแต่ความจริงก็ไม่ค่อยจะจำเป็นอะไรเพราะเขาอยู่กันอย่างนั้นเห็นกันทุกวันปฏิบัติดีต่อกันอยู่ทุกวันทั่วทั่วไป แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆลูกแทกจะเริ่มหอ่หางจากพ่อแม่เพราะอาชีพมัด ต, ตัวการเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่มีบ้านมีที่ดินกว้างว้างแล้วก็อยู่กันหลายๆครอบครัวในที่ใกล้ ย, ยกันไปมาหาสู่กันมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่มีรั่วบ้าน ทีเหมือนกับในเมืองเจริญในกรุงเทพเรานี่รั่วบานแข็งแรงทำกำแพงแล้วยังเอาเหล็กขึ้นมาติดไว้ข้างบนอีกประตูหน้าต่างก็เอาเหล็กกันทั้งหมดเกิดไฟไหม้ทีไรมันก็ออกไม่ได้ตายในกองไฟกันบ่อยๆนี่เป็นความเจริญแต่บ้านนอกเขายังไม่เจริญบ้านบางบ้านมีหน้าต่างแต่ไม่มีปิดปืด้ดประตูก็เอาเสื่อมากันกันไว้ไปไหนก็ทิ้งไว้อย่างไม่มีใครขโมย รอบคนในบริเวณนั่นเขาไม่ขโมยกันเองเขาจะมช่วยเหลือกันคนแก่ๆก็นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านบานโน่นก็มาบ้านนี่ก็มาล้อมบงคุยกันไม่ได้เล่นไพ่กันหรยังไม่เจริญเท่าไหรแต่ถ้าเมืองเจริญก็นั่งเฉยๆไม่ได้ต้องเล่นไพ่หาความยุ่งให้เกิดขึ้นแต่คนแก่ก็ว่านั่งคุยกันนั่งๆก็พูดเอามา้สักคําแล้วคนนั้นพูดสักคํานึ่งแต่นั่งได้ตลอดเวลา ตั้งแต่บ่ายจนค่ำจนมืดแล้วก็จากกันไปต่างคนทางกลับบ้านแต่วันพระก็มาวัดกันมาาการทุกคนมาวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมานอนวัดวก็มากันมากมายมาเกิด น, นี่ไปเทศวัดดอนเมืองก็ได้เห็นคนแก่มานอนวัดนี่มากวัดดอนเมืองแต่ส่วนมากเป็นอุบาสิกาอยู่ผู้ชายมีสี่คนตรงนี้ สีคนนี้ก็ง้องแงเต็มทีแล้วถามาอายุาอายุเท่าไรเจ็ดสิเก้ยังไม่แก่ตอนนี้เห็นยังไม่ถึงแปสยังแข็งแรงอยู่นี่ขนาดโยมที่ดังนี่ก็อย่างเงี้ยมาถือเสียมานอนวัดตอนนั้นก็โยมผู้หญิงดังเต็มไปหมดไปปลาตะกตาให้ฟังก็เห็นว่าเออดีคนแก่ได้มาพักผ่อนแต่มาคุยกันตามภาษาคนแก่ก็สบายอย่างนี้มีอยู่บ้าง สาม้านนอกโดยเฉพาะภาคเหนือ น, นี่ฤดูเข้าพรรษาพอถึงวันพระนี่คนไปนอนวัดวิหารคดี่เขามีไว้รอบๆวิหารคนเต็มเนยนอนกันเต็มถือศีลกินเจกันอยู่ที่นั่นแหละถึงเวลาก็เอ้าไหว้พระขกาไปไหว้ในวิหารไปเข้าในโบสถ์โบสถ์ก็เล็กๆแต่วิหารก็กว้างๆก็ไปไหว้พระไปควังทำ ไปปฏิบัติภาวนากันวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วจึงจะกลับบ้านนกขาวหงสขาวยังไปยังอยู่เป็นกันอยู่อย่างนั้นเพราะการไปมาก็รถมันไม่ติดไม่ขัดเท่าไหร่วัดอยู่ในหมู่บ้านวัดใครของใครเขาก็ช่วยกันดูแลรักษาวันอพอถึงวันตานิกาลูกก็เอาเอขอมาส่งหิ้วเป็นโตตามหลังมาอาหารการบริโภคเอามาให้พอรุ่งเงช้าก็มารับกลับบ้าน ยังเอาใจใส่ลูกหลานยังเอาใจใส่มาช่วยส่งช่วยรับเหมือนกับเด็เด็กนักเรียนนะแต่เป็นนักเรียนผู้ใหญ่มาที่วัดลูกๆ ก, ก็มารับนะเป็นภาพที่น่าดูได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่ทำให้เกิดความสบายใจไม่ปล่อยให้คนแก่เศร้าส่้อยหงอยเหงาเหมือนกับในต่างประเทศอันนี้มีอยู่แต่ว่าเพราะมีความโ่วมเอียงไปในทางที่ห่างเหินต่อกัน รัฐจึงได้ตั้งวันแม่ขึ้นให้คนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่อคุณแม่แต่ความจริงก็คุณพ่อด้วยแต่ก็มีวันอีกวันหนึงสำหรับพ่อในเดือนเมษายนอันนี้วันแม่เนี่บางโรงเรียนทําวันแม่เชิญแม่มาเลยมาโรงเรียนให้นั่งเป็นแถวให้เด็กเอาดอกมาลิข์กล่าวไปวให้คุณแม่กราบคุณแม่ คนแม่น้ำตาไหลนายโนะน้ำตาไหลบอกเออตั้งแต่มันเกิดว่ามันไม่เคยไหว้กูเลยได้มาไหว้ในน้ำตาไหลพนะางคนคุณแม่ไม่ได้มาคุณยายมาคามาุณยายมาก็นั่งรับกราบลูกน้ำตาไหลไม่ใช่ไหลแต่ดีใจดีใจว่าเออหลานมากราบลูกมากราบนี่พ่อแม่ก็สบายใจเตืั น, นใจ ่ทําให้เกิดการประทัดใจทั้งสองฝ่ายทั้งแม่และลูกทั้งยายและหลานได้เกิดความรู้สึกอย่างนันนงนน้นก็เป็นเรื่องดีที่ทํากันขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เรียกว่าดึงคนให้มาพบกันดึงลูกให้พบแม่ดึงแม่ให้มาพบลูกจะได้ช่วยกันเพราะว่าคนบางครอบครัวก็ลูกไม่ได้ไว่าย่แม่ไม่เป็นไม่ได้สอนให้ว่าย เวลาพามาวัดก็มองดูรู้จะมาไหว้พระลูกมันไหวไม่เป็นเด็กมันไหไม่เป็นเพราะอยู่บ้านไม่เคยไหว้พระพระที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือพ่อกับแม่นั่นแหละพ่อกับแม่น่ะเป็นพระของลูกลูกต้องไหว่ะนี้พ่อแม่ก็ต้องสอนลูกให้ไหว่ไหว่พ่อไหว่แม่เวลาลูกไหว่ก็ให้ศีลให้พรเตือนใจแล้วสอนให้รู้จักรักษาเนื้รักษาตัว ให้เป็นคนดีนะลูกนะเด็กจะไปโรงเรียนมากราบมาว่าว่เออตั้งใจเรียนนะลูกนะอย่าเหลวไหลนะอย่าขี้เกียจนะมิตราความรู้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตพูดบ่อยๆมันเข้าหูเด็กได้ยินบ่อยๆมันก็คิดได้แล้วก็รักการเรียนขยันเอาใจใส่คิดคน้นในเรื่องเรียนเขียนอ่านเป็นคาน ด, ดีพ่อกับแม่กับลูกก็จะพบกันบ้างแต่ทําอะไรกันบ้างมันก็ดี อันนี้เขาจึงได้ทาวันนี้ขึ้นคือวันที่สิบสองนะวันศุกร์หน้า เ, ยาเียวว่าเป็นวันแม่ว่าถึงวันแม่เราก็ต้องนั่งคิดดึกกว่าโอ้วันดีวันแม่เราควรจะทำอะไรบ้างก็ควรจะได้คิดถึงพระคุณของคุณแม่ว่าเรานี่เกิดมาจากใครถามตัวเองเออแกนี่เกิดมาจากใครก็เกิดมาจากท้องคุณแม่คุณพ่อมีส่วนร่วมด้วย แต่ว่าคนแม่อุ้มท้องถึงสิบเดือนคนที่อุ้มท้องสิบเดือนนี่ก็คงจะลำบากพอสมควรแล้วก็คลอดเราออกมาเวลาคลอดลูกนี่ก็คงจะลำบากคงจะเจ็บปวดรวดรา้าวแต่ว่าคนแม่ก็ทนได้ก็ให้ลูกออกมาเรียบร้อยพอได้ยินเสียงลูกร้องแ้คนแม่ก็ดีใจแล้วก็ถามว่าญิงหรือชายแต่อยากได้ลูกชายก็บอกชายดีใจมาก ถ้าอยากได้ลูกหญิงก็บอกว่าหญิงเออดีใจดีใจทุกทีอ่ะแต่บางทีก็แม่กับางคนก็อยากได้ลูกชายบางคนก็อยากได้ลูกหญิงความปรารถนาไม่เหมือนกันแต่ถ้าได้เหมือนใจแล้วก็สบายใจหรือไม่เหมือนใจแต่ลูกออกมาเรียบร้อยไม่เสียหายแม่คุณแม่จะเจ็บจะปวดก็ <c oughs> ไม่มีความทุกข์เราถือว่าเป็นหน้าที่ ที่จ ะ, ะะะจะต้องเป็นเช่นนั้นแกะละกอมกค่เดียวอาจารย์จะต้องเป็นเช่นนั้นก็ยินดีพอใจแล้วเมื่อคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วเราได้อาหารจากใครก็ได้อาหารจากนมของคุณแม่นมที่เราได้มาจากคุณแม่นะั้นคือเลือดในอกของคุณแม่แต่มันกลายเป็นน้านมสําหรับเลี้ยงลูกเราได้ดูด น้ำตมจากถันของคุณแม่ปกติคุณแม่ก็ไม่อยากให้ ใ, ใครจับใครต้องรอกไอ้ตรงนี้มันเป็นของสงวนแต่ว่าลูกไม่เป็นไรดูดนมได้กัดแม่ได้ดูดแล้วบางก็เด็กบ้าคนเปอกันขึ้นมันก็กัดนมแม่แม่เจ็บแต่ว่าเขาไม่เป็นไรตีตะพวกเบาๆทาไมถึงกัดแม่พูดนิดเดยียไม่โกรธไม่เคอะคุณแม่นี่ไม่โกรธลูกไม่เกลียดลูก พอใจที่จะเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตรเรื่องนมแม่เนี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันคนในสมัยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะได้เลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงลูกด้วยนมกระป๋องด้วยนมผงอะไรต่างๆความสัมพันธ์ทางจิตใจระหว่างแม่กับลูกนั้นมันน้อยลงไปไม่เหมือนดูดนมจากถันของแม่เพราะถ้าดูดนมจากถันนก็แม่เด็กได้สัมผัสหน้าอกแม่ ได้ดูดดมแม่แล้ดมแม่นี่เป็นอาหารที่ประเสริฐที่สุดมีคุณค่าต่างอาหารอุดอมสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการเวลานี่แม่ชาติิเจริญแล้ว <c oughs> เขาก็พยายามโคดศนาให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ว่าคนในโลกนี้ทาหน้าที่แม่ไม่ค่อยสมบูรณ์คือไม่เลี้ยงลูกด้วยนมให้ลูกกินดมกระป๋องกินดมวัวกินดมแพ ผิดใจก็เด็กมันก็เป็นหัวเป็นแพรไปพอสมควรเราว่าเลือดแพร่เลือดหัวเข้าไปอยู่ในสายเลือดมันก็ไม่เคยดีเท่าใดควรจะให้กินนมแม่คนสมัยก่อนเลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงจนกระทั่งว่าเติบโตนเรียกว่าอุ้มท่าห้อยไปเกือบถึงดินแล้วก็ยังดูดนมคุณแม่กินอยู่เพราะว่าดมยังมีบ้างนิดนิดหน่อยหนยหรือบางทีแม่มีลูกคนที่สองเป็นน้อง ไอ้ลูกคนโตเขาแอบก็ไปดูดมแม่เหมือนกันเพราะว่ายังติดใจอยู่แต่ความจริงเราจำไม่ได้นิโยมจำได้มาว่ารถดมกองคุณแม่เป็นอย่างไรไม่มีใครจำได้กองพ่อนกองทุกข์ให้รถเป็นไปยังไงนึกไม่ออกจำไม่ได้ว่าดมแม่รถหวานรถไปยังไงไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้งไอ้นี่จำไม่ได้เขาไม่ให้จำหน้าเด็กยังจำไม่ได้ ไปลว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเดมดมกระป๋องนี่ก็กจําได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรกลิ่นมันเป็นอย่างไรจําได้น้องแม่นี่จําไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะจะเป็นอาหารของลูกน้อยเขาจึงชักจูงให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่าจะทํางานทําการทางการก็ก็ให้เวลาเช่นให้ถึงเที่ยงกันอยู่ในสภาเหมือนกัน บอกว่าบางพวกก็จะให้เก้าสิบวันให้แม่เลี้ยงลูกเก้าสิบวันลางานเก้าสิบวันแต่บอกว่ามันนานไปเสียหน้าที่การงานเอาสักหกสิบวันก็พอบางคนย่อกันไปเหลือสามสิบวันไอ้สามสิบวันเนี่ยมันไม่พอมันน้อยเกินไปเพราะไปทำงานจะกลับบ้านในรถมันติดเดี๋ยวนี้แต่ ว, ว่าตอนเที้ยงเนี่ยเออมาไปให้ลูกกินดมหน่อย มันก็มาไม่ถึงไงรถมันติดกลางทางไงมันก็ลำบากจะเอาลูกไปที่สานักงานก็ไม่ได้ไม่มีใครดูแลเออเอาความจริงราชการก็น่าจะมีนะเรียกว่าเปิดนแผนกเรียกลูกข้าราชการเอาลูกมาด้วยแล้วก็มีทางพยาบาลมีคนคอยดูแลพอคนแม่ทำทํางานก็รู้สึกว่ามันคัดคืนดีน้องบ้าวิ่งไปให้ลูกดูซะหน่อยแล้วก็มาทางานต่อไป เรียกว่าสงเคราะห์แม่และเด็กให้เกิดความสะดวกกันตั้งสงฝ่ายเออย่างนี้ยังไม่มียังไม่มีว่าราชการไหนทําขึ้นหรือยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไหนสงเคราะห์ถึงขนาดอย่างนั้นมันน่าจะมีนะไม่ได้เขียนจดหมายไปถึงผู้แทนเปิดประดึกไปบอกว่าเออให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ที่นี้ด้วยเงินทองเยอะแยะเดียวดีไปตั้งมากมายแล้วเอาช่วยสงเคราะห์ลูกบัง แต่ว่าเขาเขาทำไปอย่างอืง่นเดี๋ยวนี้ได้เกียรติเงินโบ ป, ประมาณเลี้ยงเด็กโอนคือเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลทางราชการก็ให้นมเลี้ยงเด็กให้เลี้ยงเด็กอนุบาลอยู่อนุบาลสองสามปีขึ้นชั้นประถมก็จะตามเลี้ยงต่อไปเลี้ยงต่อไปอีกสักสองสามปีเด็กมันกำลังเติบโตได้นมดีได้อาหารดีร่างกายก็จะแข็งแรง มีจุภาพปนาไม่ดีมีความฉลาดจะเรียนหนังสือได้เก่งๆให้สังเกตอย่างหนึ่งนักเรียนแพทย์นักเรียนวิศวะลูกคนบ้านนอกธรรมดาชาวนาชาวไร่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเป็นลูกพ่อค้าในตลาดทั้งนั้นแหละพวกหมอไอ้ลูกพ่อค้าทั้งนั้นวพวกชาวไร่ชาวนาไม่ได้เรียนแล้สมองมันไม่ทันกัน เพราะว่าอาหารมันไม่ดีพอสิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีพอเรียนไม่ทันก็ไม่มีโอกาสจะได้เป็นหมอเป็นแพทย์ไม่มีโอกาสจะเป็นวิศวกรซึ่งทำงานก้าวหน้านี่ลำบากเพราะพื้นฐานการเป็นอยู่เปลี ก, กันทำให้เกิดความแตกแตกานนาา่างกันทางเอชยอพาะงั้นจะต้องช่วยให้คนเหล่านั้นได้โอกาสเรียนบ้างให้ก้าวหน้าบ้างเด็กที่ลูกก้าวนาชาวไร่ในเรียนอะไรมา เรียนรามกําแพงมากที่สุดเวลาที่ข้าวรามกําแพงที่เด็กที่มาอยู่วัดใส่เสื้อเขียวอยู่วันอาทิตย์ช่วยงานนะรามกําแหงนะเรียนอะไรนี่ติดศาสตร์อะไรแบ้นเรียนมันเข้าไม่ไกลลองพ่อเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือไอ้เด็กบ้านนอกเนี่ยทํามาเรียนเก่งอยากจะให้เรียนหมอบ้างไ้เรียนะอยากให้เรียนหม อ, ใ ห, อ, ใ, หหมอให้ทุนมีทุนจะให้แต่ก็อยางไม่ค่อย ต่อไปนี่ก็นึกว่าจะประกาศไปเจ็นว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยลูกชาวไร่ชาวนาเนะี่ยเด็กในตลาดมาเอาพ่อแม่มารวยแล้วไม่ต้องช่วยแล้วอัน <c oughs> นี้ตาลูกชาวนาชาวไร่คนไหนเรียนหนังสือเก่งให้มาสอบข้าแพทย์ถ้าสอบได้แล้วก็จะให้อุดเลี้ยงให้เงินเือนุดหนนให้เรียนแพทย์ <c oughs> เรียนแพทย์จบแล้วต้องมาอยู่โรงพยาบาลจนรัฐผ่าฐานสักสองสามปีใช่นี่ก็ <c oughs> <c oughs> หมอไว้ก็ี่ ออทำอย่างนั้นจะได้จะให้ได้สงเคราะห์เด็กบ้านนอกบ้างมันแพร่กันอยู่ในตัวสมองมันแพร่เกิดพบคุณหลวงคนชื่อหลวงอัดอัดลงใต้อะไรเลื่องจะเล้วแกเลี้ยงแพ้ใยรีบ ด, ดมให้ลูกกินถ้านั่งกับคุณหลวงอัดในรถไฟนะแกคุยแต่เรื่องแพะเท่านั้นไม่คุยเรื่องเกิดพบกันในรถไฟตั้งแต่อุตรดิชโจนถึงเชียงใหม่ แกไม่คุยเรื่องอะไแกคุยเรื่องแพะ่าเดียวแล้วแกบอกลูกผมะกินดมแพะทุกโคทุกคนเช้ากินดมแพะหนึ่งแก้วเย็นกินดมแพะเรียนเก่งสอบข้ามาวิทยางไยได้ทั้งนั้นแต่เรียนสูงๆเรียนดีๆด้วยเพราะ ด, ดมแพะมันช่วยให้สมองดีดมหัวกว็เหมือนกันรือว่ามันมีอาหารดีทําให้ก้าวหน้าในการศึกษาเ่าเรียนอันนี้คนกินแต่ยอดปักยอดไหม แต่อยู่ปักไตเขา ก, กินแต่แกงไตปลากินแต่แกงเหลืองมันมั น, ม น, มนไม่ไม่ใช่ช่วยสมองให้ดีขึ้นได้เลยมันก็ไปไม่รอดเรียนไม่เก่งอันนี้เราต้องช่วยให้เขาในก้าวหน้าในเรื่องนี้ช่วยเหลือเขาให้ก้าวหน้าต้องมีทุนคิดอยู่ก็มาคิดอยู่ในใจเพราะว่ามีโบนิทิพอพอใจใจไหนใช้ดอกอ ก, ออกลับไปปัตตุลูกจะไปประกาศโรงเรียนมัธยม บอกว่าต่อไปนี้นะลูกเสร็์โรงเรียนประจําจังหวัดเนี่ยใครมีเรียนดีดีครูช่วยบอกส่งไปสอบขับเพื่อได้เรียนแพทย์ได้เป็นหมอชาวบ้านมั่งไม่ใช่หมอในตลาดพวกหมอในตลาดนี่ขออภัยมันคิดแต่จะหาเงินท่าเดียวทํางานให้หลวงพอหมดเวลาแล้วมันจะหาเงินแล้วคิดหาเงินท่าเดียวไม่คิดช่วยประชาชนเท่าไหร่ แต่คิดเงินเป็นเรื่องใหญ่เพราะหัวมันเป็นพ่อค้าไปได้เป็นหัวของคนธรรมดาอันนี้เราเอาเจ้าวไร่ชาวนาะมันจะได้คิดถึงความยากความจนของพ่อแม่ข อ, อแมของเพื่อนบ้านว่าลําบากฐานะไม่ดีเราควรจะไปช่วยเขาอันนี้ต้อง ส, สั่งจ้างจิตใจให้เขาแล้วก็เด็กที่มาเรียนเนตต้องมาวัดตุวันอาทิตย์ด้วยวันไหนว่าว่างต้องมาวัดมาพบพระบ่อยๆส่งเสริมให้ศึกษาเรื่องศาสนา มีคนหนึ่งก็เป็นมหาก็ศึกออกไปทำงานทำงานสันประสามิตร <c oughs> แต่ไม่เมาโดยมากพวกทำงานสันประสามิตรจะมาอดดื่มไม่ค่ยได้แต่มหาี่แค่ไม่เมาลูกเรียนแพทย์เรียนแพทย์บอกว่าลูกชายผมเรียนแพทย์มันอ่านแต่นังสือท่านพุทธทาตุนะนังสือท่านพุทธธา ต, อธธาตุอยู่ในห้องนอนหลายเล่มเลยมันอ่านมาคุยแต่เรื่อง ธรรมะของท่านพุทธทาสค ร, รับโ อ, อดี ด, ด, ดีไม่เสียทีเป็นลูกมหาเว้ยมันค่อยก้าวหน้าน่อยเดี๋ยวนี้มาเรียนจบแล้ ว, ลวออกเป็นแพทย์แล้วเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลปรารสนใจในธรรมะเลือดพ่อมันเคย อ, อยู่วัดลูกมันก็เลยเป็นนักวัดไปด้วยอย่างนี้จะได้ถ้าลูกพ่อเล่นการพนันแล้วลูกมันก็ประหัวการพนันนะเป็นง่านอาเดินตามพ่อพ่อเป็นเช่นใดลูกเป็นเช่นนั้น แม่เป็นเช่นไรก็ลูกเป็นเช่นนั้นเราทั้นพ่อแม่ในต้องลเลี้ยงดูด้วยนะแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วต้องลเลี้ยงยงสิ่งชั่วร้ายอย่าให้มีสิ่งชั่วร้ายในครอบครัวอย่าให้มีสิ่งเสพติดอย่าให้มีการพ น, นันอย่าให้มีคนไม่ดีาเป็นเพื่อนอย่าให้มีการสุรุ่ยสุร่ายอย่าให้มีการเที่ยวกลางค่ากลางคืนอย่าเกียร้านการงาน อยู่ในศีลในธรรมไหวพระสวดมนต์อ่านหนังสือธรรมะอบรมลูกให้เข้าใจพระใกล้กับศาสนาก็เรียกว่าทําหน้าที่คุณแม่ถูกต้องลูกก็จะได้นึกถึงความงามความดีของแม่แล้วก็จะสบายใจคนเราในอยู่ว่างๆก็ดังนึกถึงเอารูปคุณแม่มาวางข้างหน้านั่งเพ่งดูดูให้ดูให้ภาพนั้นมันเคลื่อนไหวได้ดูให้ภาพไหวได้ เจอเหมือนกัว่าเคลื่อนไหวได้ยืนได้เดินได้นั่งได้พูดจาได้เพราะเราได้ยินว่าคุณแม่พูดกับเราอย่างไรสอนเราอย่างไรเราเคยได้ยินแล้วเราก็มานึกถึงภาพาเป็นวีดีโอในใจของเรานึกถึงท่านแล้วก็นึกว่าเออท่านสอนเราอย่างไรท่านอบรมเราอย่างไรท่านห้ามเราไม่ให้ทำอะไรนึกถึงเสิ่งเหล่านั้นถ้านึกไปนึกไปนะน้ําตาจะไหล น้ำตาจะไหลจะตื้นตันใจขึ้นมาอ่ามันไหลเพราะอะไรเพราะว่าคิดถึงความดีของท่านแม่ท่านจะจากไปแล้วความดีก็ยังปรากฏอยู่ในใจของเราในสมองของเราเราอยางนึกได้แล้วแต่นึกแบบนั้นบ่อยๆนะไอ้สิ่งนั้นแหละจะช่วยห้ามล้อเราไม่ให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วไม่ให้ประพฤติเหลวไหลเพราะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ พระพุทธเจ้าท่านเตือนว่ า, วาเมื่อระลึกถึงคนที่ตายจากเราไปแล้วจงทำบุญทาบุญทำ บ, บุญนั่นหมายความว่ า, มาให้ทำดีให้คิดเรื่องดีให้พูดเรื่องดีให้ทำเรื่องดีให้คบคนดีให้ไปสู่สถานที่ ด, ดีทุกครั้งที่คิดถึงแล้วก็ให้ทำดีอันนี้มันต้องคิดถึงบ่อยๆจะได้เป็นเครื่องกระตุ้นใจเราให้ทำดีแต่ถ้าเราไม่คิดเลย ลืมไปแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรลืมพ่อลืมแม่ลืมหมดแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ชีวิตจะตกต่าล่นไปง่ายเพราะไม่มีห้ามร้อไม่มีอะไรเป็นเครื่องกันไหวไม่ให้เราตกต่าแต่ถ้าเรานึกถึงพระคุณของคุณแม่บ่อยๆคุณพ่อบ่อยๆนึกถึงอย่างนั้นก็จะช่วยส่งเสริมกําลังใจ ให้กำลังใจแก่เราในการที่จะคิดเรื่องดีพูดเรื่องดีทำเรื่องดีต่อไปมันช่วยได้เรื่องนี้ช่วยได้หลวงพ่อเองมีประสบปการณ์ในเรื่องนี้พอสมควรหรือว่าสมัยยังไม่ได้บวชก็นึกถึงคุณแม่บ่อยๆแล้วไม่กไม่ทำชั่วไม่สูบบุหรีไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่กบเพื่อนเล้วไหลไปไหนก็ไปวัดไปนอนกับพระหาวัดพักอ่ไม่ว่าไปเมืองไหน เราไปไปกรรมกรทำบ้านทําการก็ไปหาวัดพักไปคุ้นเคยกับพระไปรับใช้ท่านได้รับความสบายนอนกับพระนี่อุ่นดีสบาย <c oughs> ปลอดภัยไม่มีอะไรแล้วก็พระท่านช่วยพูดช่วยสอนเราเราก็ได้เห็นพระได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็สํานึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่แต่นึกถึงแม่มากพ่อนี่นึกไม่ท่าไหคือว่าความสัมพันธ์ทางจิตใจเนี่ย มันก็แดงจ้ำพันกับคนแม่มากกว่าคุณพ่อทําไมจึงเป็นอย่างนั้นคนหาอยู่เหมือนกันก็ว่าคุณพ่อหางคนแม่อยู่ใกล้เพราะคนพ่อนั้นไปโน ด, ดไปดีไปเรื่อธุรกิจการงานเยอะแยะไปโน ด, ดไปนีิไม่ค่อยได้พบหน้าบ่อยๆแต่คนแม่เช่าเห็นเที่ยงเห็นเย็นเห็นเห็ น, ห น, หนอยู่ตลอดเวลาคุ้นเคยความโน้มเอียงทางจิตใจก็ไปทางคนแม่ม กับคุณพ่อนั้นคิดถึงแต่ไม่ไม่ทราบซึ้งเหมือนกับคุณแม่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราอยู่ใกล้แม่นั่นเองแล้วก็คุณแม่ก็คอยเตือนคอยสอนคอยชี้คอยบอกในเรื่องอะไรต่างๆคนยายก็คอยบอกคอยเตือนในเรื่องอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสองแรงแข่งขันที่ช่วยห้ามช่วยกันไม่คิดเรื่องเสียหายอาชีวิตมันจึงก้าวห น, น้าที่ดีอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ก็เพราะ ปรากุของคุณแม่นั่นเองปรากุที่ได้เคยสอนเคยเตือนเคยชี้เคยแนะเนี่ยมันมันติดอยู่ในใจเลยหักน้ำใจไม่ให้ทําอะไรที่เป็นของชั่วของร้ายเป็นอย่างนั้นจึงอยากจะให้เราที่เป็นผู้ใหญ่ได้ช่วยเด็กคือให้มีความสัมพันธ์ทางจิตใจกับเด็กใครมากแม่ให้มีความสัมพันธ์กับลูกใครมากพ่อก็หวานกัน ไอ้มีความสัมพันธ์กับลูกค่อยมากลูกก็จะได้มีความรู้สึกสำนึกได้ในบุญคุณที่มีต่อเราเวลาเราเจ็บไข้อะไรป่อยเป็นเด็กๆนะไปอยู่ที่อื่นนะไม่ค่อยสบายไป็ไข้แต่เพื่อนบอกว่าโอ้คุณป้ามาจะหายแล้วลุกขึ้นได้แล้วอารมณ์ดีแล้วยิ้ยมแย้ยมแจ่มใช้กล่าวไปหาคุณแม่ ไปอะไรกินคันดมได้อะไรตอนน่ออะไรสใจสบายเพียงแต่เห น, หน้าก็ใจสบายแล้วเป็นดวงหน้าที่ที่ทำให้เรามีความสุขใจสบายใจเห็นภาพเห็นการกระทาแต่ยินคำพูดก็สบายใจ่เป็นเรื่องสำคัญอยู่ในชีวิตของคนเราทั่วไปแล้วถ้าเราศึกษาชีวิตของคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงไนลูกจะพบว่ามีคนทำข้อคือรักแม่ เคารพแม่ทั้งไม่ว่าจะเป็นนักรบเจนน่โพเลียนเนี่แกก็รักเคารพคนแม่ของท่านบ้างไปทิ้งแม่เลยคิดถึงแมอง่อยู่ตลอดเวลาพระเจ้าตาัสสินมหาราชซึ่กู้ชาติกู้บ้านเมืองมาลได้นะท่านคิดถึงคุณแ ม, ม่เพราะเวลากรุงแตกจากกันเลยไม่รู้ไปไหนท่านก็คิดหนีไปเอาตัวรอดก่อนได้ไปดูคุณแม่อยู่ เวลากรมพระราชวังบรวรไปหาท่านรกรมราชวังบรวรหนีออกจากกรุ ง, กงเก่าแนละ้วลอยเรือมาตามแม่น้ําบางคราวถึงสีกุกที่ต้อกควาเรือหัวสชนในเรือเพราะพ่อบ้านมันตั้งไข่ท้องฟังแต่ไปนั่งเรือมาเห็นมันก็ตีหัวตายแล้วก็ล้มเรือลอยพระม า, านเนี่ยก็ถอดไม้ลอยไปไมันไปสนใจพนอะ ป, ป้อนสีกุกพลิกเรือขึ้น นั่งเรืยพายต่อไปจนมาถึงวัดมหาธาตุธาปจัตขึ้นวัดนั่นพระตอนรับกับซูให้กินได้อยู่สบายท่านจึงนั่ถึงบนขนของวัดจึงมาซ่อมสร้างวัดมหาธาตุให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปราชบุรีไปหาพี่ชายว่าพราะพี่ชายพี่ชายก็บอกว่าน้องต้องไปหาพระเจ้าตาปย า, าตาในรันยังไม่เป็นพระเจ้าไปต้องไปหาปยาตา แต่ว่าก่อนจะไปหาพระยาตากต้องต้องไปสืบให้พบว่าคุณแม่ดอกเอี้ยงนี่อยู่ที่ไหนเอาไปด้วยไปเอาแม่ไปด้วยก็ไปเที่ยวสืบพบพบก็พาไปไปไปหาพระเจ้าตากพาไปด้วยแต่ว่าพอไปถึงค่ายที่พระค่ายคุณแม่คุณแม่ังพักนี่ก่อนลูกจะก้าวไปก่อนพอข้าวไปถึงพระยาตากก็บนเฮ้ ใจพ่อมาเลยมันทําเราเจ็บแสบตัดทำให้แม่พลัดจากลกูกลูกพลัดจากแม่นี่ยังไม่รู้เลยว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนเจ็บใจนะท่านพูดออกมาอย่างนั้นนายทองมาเรือกรมราชาวังบวรก็บอกว่าผมพาคุณแม่มาแล้วเอออยู่ไหนพักอยู่หน้าใคราท่านลุกขึ้นมาทันทีมากราบคุณแม่ แล้วก็พาคุณแม่ก็ไปพักไหนใกล้ให้อยู่อย่างสะดวกสบายอันนี้คนใหญ่คนตูที่มีความเสียสละเพื่อชาติเพื่อประเทศเขารักแม่ห่วงแม่เลี้ยงดูแม่อย่างนี้ไม่ให้เดือดร้อนใจเป็นอย่างนั้นทั่วไปคนคนสำคัญของลูกมักจะเป็นอย่างอ่านประวัติแล้วจะพบว่าไปกอรักแม่ทําอะไรทุกอย่างเพื่อคุณแม่ตลอดเวลา อันนี้เปเรื่องสำคัญประการหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายเมื่อได้กัะสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังคิดถึงพระมารดาซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเจริเสด็จขึ้นไปสวรุรไปเทศปโปรดมารดาอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงน้นใจเวลาพระเจ้าสุดโตตนะทรงพระประชวนทรงทราบ ก็เสด็จไปดูแลรักษานว ด, ดเท้าให้เช็ดตัวให้เอาน้ำมาให้อาบ ป, ป้อนยาให้ทำทุกอย่างเหมือนกับลูกที่ดีที่ทำต่อคนพ่อของเขาเพราะเหลือพ่อทำทุกอย่างแล้วก็บอกกับภิกษูทั้งหลายว่าภิกษูใดปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติพ่อแม่ ต้อเลี้ยงดูพ่อแม่ให้รับความสะดวกสบายพระเจ้าสุดโทนะสวรรคตพระองค์สงหน้าประสบด้วยพระองค์เองแต่งศพด้วยพระองค์เองทำทุกเสียงทุกอย่างด้วยพระองค์เองทั้งนั้นเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ามีความรักผู้บังเกิดกล้าวอย่างไรพระสารีบุตรเวลาท่านใกล้จะประียญิพาน พระอาหารหันต์ท่านรูว่าจะนิพพานเมื่อใดท่านก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อไปโปรดมารดาเพราะคุณแม่ยังไม่ได้เป็นพุทธบริสุทธิ์ยังถือาศาสนาพราหมอยู่ต้องไปโปรดตอนตอนจะตายนี่แหละให้คนแม่เห็นใจเลยไปภาษาริบุทไปนิพพานในห้องที่ท่านเกิดเพราะต้องการไปสอนคุณแม่แล้วไปถึงก็ เทศณาส น, นานทมกับคุณแม่นะน้อมน้อมจิตใจให้คุณแม่มาเป็นพุทธบริษัทแล้วท่านก็นิพพานในโละอันนี้เป็นเครื่องแดงว่าแม่ท่านจะเป็นพระอระหันต์แต่ท่านก็ยังเคารพแม่ของท่านยังอุตส่าห์ไปปรูดเพื่อให้คุณแม่ได้มรรคผลนิพพานเป็นการตอบแทนพระคุณด้วยธรรมะก็เป็นตัวอย่าง ในชีวิตใต้ประกนนาร่ดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาอังคุลีมานจูนเกี่ยวข่าคนพระพุทธเจ้าต้องรีบไปเพราะวันนั้นแม่ของอังคุลิมานจะไปหาลูกชายเมื่อไปหาลูกชายลูกชายมันเลือดเข้าตาแล้วก็เห็นคนโจะฆ่าพระอาจึงไปไปก่อนไปสอนก่อนตรมานให้เข้าถึงธรรมะเช่าก และก็ไปปราบโจรอังโคลิมานด้วยธรรมะไม่ต่อยกกองทัพไปปราบแลปราบไม่ได้แต่ไปปราบด้วยธรรมะอังคุลิมานทิ้งดบแล้วก็มาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ต้องฆ่าคุณแม่ที่เข้าไปหาลูกชายเรื่องก็เรียบร้อยมีมากมายเรื่องอย่างนี้ก็สอนไว้ให้คนคิดถึงปราุณของมาดาบังเกิดกลับเรื่องเกี่ยวกับมาดาเก็สอนไว้บ้าง ไม่ค่อยพูดถึงพ่อเท่าใดแต่ว่าสัมพันธ์กันถึงแม่ก็ถึงพ่อแล้วนะวันทุ่คนมาหาคนดังอยู่ยาลาลูกมาเรียนหนังสือกรุงเทพลูกเขียนจดหมายถึงแม่ทุกทีแล้วแกก็ชอบเอาจดหมายนั้นไปอ่านในพระฝันพระก็บอกวเฮ้ลูกชายท่านมาหาเนี่ยไม่คิดถึงท่านมาหา เ, เขียนจดหมายถึงแต่คนแม่อย่างเดียวมันอยู่ในตัวแล้ว มันเขียนถึงแม่ก็มาเขียนถึงผมนะเพราะแม่ต้องให้ผมอ่านผมก็พลอยเพิ่มใช้กันจดหมายของลูกเหมือนกันแต่มันไม่ส่งจะพ่อผมแต่ส่งถึงแม่แกก็เลยพลอยอ่านแกก็บอกว่าลูกมันคิดถึงผมด้วยอะแต่มันเขียนถึงแม่มันก็ถึงผมเป็นอย่างนั้นลูกก็ทำอย่างนั้นต่อแม่ก็ถึงพ่อโดยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะได้คิด แต่วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันแม่ก็คิดทุกวันโดยการเราให้คิดถึงทุกเช้าทุกค่าเช้าเข้านอนเตือนเช้านังนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ปูตายา ย, ายครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เป็นสถาบันที่เราเคารพสักการะบูชาตอนจะนอนก็ น, นังไหวพระสวดมนต์ระลึกถึงพระคุณของแม่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดูดูเฉดใจ ทุกเคยเราทำอย่างนั้นจิตใจเราก็จะไม่ห่างจากพระคุณของแม่คนที่ไม่ห่างจากแม่เนี่ยรับรองว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนละอายบาปกลัวบาปเป็นคนที่จะไม่คิดชั่วทาชั่วพูดชั่วเพราะจิตใจคิดถึงพระของตัวอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่เป็นพระในบ้านคนปู่คนย่าคนตาคนยายก็เป็นพระของเราครูก็เป็นพระของเรา เราก็ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อตอบแทนตามสมควรแก่ฐานะกาแสดงมาก็พอสมควรแก่เวล า, อาขอจุตติว่าแต่เพียงนี้ขอให้ดวงใจของญาติโยมทั้งหลายได้น้อมระลึกไปถึงพระคุณของคุณแม่ผู้บังเกิดกล่าวจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอธรรมาเทศนาชุดนี้จัดทาโดยสำนักพิมพ์ธรรมาสภา ท่านสาธุชนที่สนใจโปรดติดต่อที่ธรรมสภา1ท .4-5 ถ 5, ทนนบรมราชชชนนีแขวงสาลาธรรมศพเทตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร10170โทรศัพท์441 1535 441 1588 434 4267 ขอได้รับความขอบคุณด้วยความสุจริตและหวังดีจากธรรมสภา